แปดหมื่นชี่ว่าทำอาคารย่อนดลงมาเอกจิตเอกระทในปัจจุบันนี้เลยมีทั้งหนังทั้งเขาด้วยผู้มาปฏิบัติเพราะพุทธศาสนะคือผู้ไม่รักตนคือผู้เบียดเบียนตนก็คือเบียดเบียนใจนั่นเองนั่นรักใจก็คือรักตนตามสมมุติปฏิบัติใจือก็คือก็คือปฏิบัติตนใจไม่ปฏิบัติก็นำทุกข์มาให้ใจจิตตังทันตังสุขขาวหางจิต ที่ปฏิบัติแล้วฝึกฝนแล้วนําสุขมาให้จิตจิตไม่ปฏิบัติก็นําทุกมาให้จิตนั่นนั่นนั่นนนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจนี่เองไมนไ้นั่นออกไปนอกพูดมากๆก็ตามมันก็พูดออกไปจากไกลดีทําดีก็มาคูณใจทําชั่วก็มาคูณอยใจมาบวกอยู่ที่ใจมาไปบวกในท่าอาการทําดีก็บวกดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็บวกชั่วอยู่ที่ใจนั่นนั่นนั่นยนลงมาแล้วเนี่ย ตอนไหนทำดีก็บวกไก่ในทางดีตอนไหนทําชั่วก็บวกใจไปชั่วนั่นนอกจากไก่ไม่มีอะไรจะรู้จากความดีความชั่วใจเท่านั้นจะรู้นั่นใจไม่รู้ก็เป็นความผิดของไกจะไปโทษให้ตาหูจมูกเรี้ยงกายมันก็ไม่รับนั่นนั่นนั่นไปทีนี่อริยะธรรมมีทิตโตณโรอริยธรรมคือทํามันประเสริฐ อยู่ที่นอนละชนอยู่ที่จิตใจของลูกห ล, ลา น, ลา น, ลานทุกท่วนหน้าพระพุทธศาสนาสอนย่อๆก็สอนเป็นจงทาจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายอยู่ที่ดวงใจเรียกว่าเทศย่อ จงทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายความดีความชั่วใครเป็นผู้สร้างขึ้นอย่าไปมอบให้พระผู้เป็นเจ้าทางอื่นก็คือจิตใจแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองมีอิสระทำขึ้นในทางดีก็มีอิสระทำขึ้นผู้มีอิสระทำชั่วก็ได้รับผลชั่ว ผู้มีอิสระทำนีก็ได้รับผลดีตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำน้อยและมากขอให้ถือว่าพระพุทธศาสน า, ศาธรรมศาสตรสน า, ศาสังฆศาสาตร์กลมกลืนกันอยู่ที่ดวงใจของแต่ละท่านละคนนั่นเองไม่ได้อยู่ในที่อื่นไม่ได้ยืนอยู่ในที่ตัวหนังสืออยู่ที่ตัวหนังสือใจความดีความชั่วก็มาอยู่ที่ตัวดสระอีตัวชสระอวไาม่เอก อยู่ที่ดวงใจของสัตว์ทั้งหลายที่ทำขึ้นนั่นคือพระพุทธศาสนาทมดีก็ได้รับผลดีอยู่ที่ใจทาชั่วก็ได้รับผลชั่วอยู่ที่ใจตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำน้อยและมากใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหายอมได้รับผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำสัน้น ถ้านึกโกรธรถของความโกรธก็อยู่ที่ใจถ้านึกเมตตาความเมตตารถของเมตตาก็อยู่ที่ใจเราจะไปให้คะแนนดินฝ้าอากาศภายนอกก็ผีบ้าทเท่านั้นพระพระศาสนาสอนอย่างนั้นถ้าพระพุทธ เ, เจ้าเป็ผู้สร้างขึ้นความดีความชัวว่วก็พระพระพุทธ เ, เจ้าจิตพระพุทธ เ, เจ้าใจสร้างขึ้น เราเป็นเพียงขี้บอกพระบรมาศาสนาเรื่องนอนก็ต้องนอนเองกระหายน้ํำก็ดื่มเองเราเป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นจะทําแทนก็ไม่ได้เหตุฉะนั้นความดีความชั่วท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายหรือเธอทั้งหลายนั่นเองเป็นผู้มีอิสระจะทําขึ้น ไม่ใช่เราจะทำให้คำ ร, รามาสสร า, ศาพูดอย่างนั้นอัตติอัตโนนาโถจนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทำดีให้ใจได้นอกจากใจก็ไม่มีอั น, นด ใ, ใจดน จ, ใ จ, นนจะทำชั่วให้ใจได้ ใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจผลของความดีความชั่วไม่ได้ไปอยู่ที่ตาหูจมูกริมกายไม่ได้อยู่ในภายนอกก็อยู่ที่ใจใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุนึกคิดผลก็นึกคิดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยอยู่ที่ใจนั่นเอง เอาละทีนี้ ยะทาวะดิวะหาปุราภริภูริติสาคารังเอวามีวัยโตติตังเปยตาลังอุปคะปติอจิตังโมจิตังตุบขังเกปาเมวัสมิตาตุสภพภูริตุสังคปะจันโทพนารโสยะามนีโชติรโสยะทาสัพพิโยยวัชชสัพะทุโคสัพพโยสัพพโลกวินัสสัตตุมาเตผวะตวนตรายโสดีติ迦โยโกผวะอภิวาเทนาสีนิจานิจังโมตาปิจโนจัตตารูธรมาวัฏันติอายุวโนสุขังภาลัง เป็นหวัดขับจมูกน้ำมูกไหลจามเคลียรคคลีอยู่ฉันอาหารสองสามคำมาเช้าเนี่คำโมสังโคนิพานังเพื่อพระนิพานนิพา น, นพานคือเย็นจากความไม่โรคไม่โกรธไม่หลงก็เรียกว่าเย็นถ้ามีโรคโกรธหลงอยู่ก็เรียกว่าไม่เย็นพระนิพานแปลว่าเย็น รถของพยานาคก็คือรถของความไม่โรคไม่กวดไม่หลงนั่นเองเอวันเอาละทํำไมโกกรคบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วก้นไม้ก้นหมูก้นพักก้อนพวกก็ตั้งมาอยู่ของทําไม้นําคํานึงก้อนที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความช่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับนั่นพระพุทธเจ้าเอามา ก, กินแล้วนะเออ เชีเทศจะมีกี่รานก็เชื่อไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกนไม่ขึ้นอยู่กับท่านพู้รูแล้ไม่รู้ไม่ท่างขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อมันเล็กกว่านันขันว่าขืนยกกัปูรูว่าพูโบรุบลูหรอเทียมในทางสูงเทียมในทางเลื่องึเพื่อให้คำนึงรายได้ทางนำ้วอหน่องเคืองบางต่างๆไรลงสู่มหาสมุทรทเลโดยไม่รู้ตัวชันใดคำสอนใดก็ไหลลงสู่คำสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวัันนน้ไม่พูดออีีกกก็จงะ นั่นอ้าวถ้าโลกไม่สินหาประจําขายของกับว่าต้องเฝ้าตำรวจกับว่าต้องมีทหารกับว่าต้องมีนั่นคําสอนของพระเจ้าลอะไรคำว่ามีสินหาประจําว่ามีอยากอายตระบาดเี่ตั้งไม่จักรล้านๆจะตั้งทำไมก้อนไม้ที่ทองเลี้ยงคนีนกระทงทำไมจิตใจมันรวมมิบาวมิเบือน ขันธห้าบูนไหว้มาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจากศาสนาใดศาสนาอื่นเอาเป็นประมาณว่าไรเนี่ยว่าป่าเป็นบูนก็มีเนี่วุนป้าเป็นบาปก็มีนั่นนั่นนน่ น, นชาวโลกบูนไหวแต่วัตถุนิยมอุดมคติว่าบูนไหวอุดมคติดนานจิตใจสิ เปนศิลป์เปธรรมหรือว่าเป็นการสร้างวุ่นวายในทั้งควอมจะเล่ทั้งโลกงันก็ผูกข้องบวายุคันคิตใจบ่านักมาในทางศิลธรรมพระองค์เจ้านั่นนั่นเหตุนั่นปฏิเสธศิลธรรมพระองค์เจ้าว่าได้ทําไมจึงอ้าวน้ําเพราะมันสกปรกล่างกายทําไมจึงปฏิบัติศิลธรรมเพราะใจมันสกปรกนั่นใจสกปรกเสิเอายังมาล่างมันว่มีว่ามีแนวล่าง ว่ามันศีลธรรมว่าองค์เจ้านี่อันนี้เป็นหน้าที่ควรคิดสำหรับมูเฮ้าเป็นพุทธมารมาะกะการปฏิบัติศีลธรรมเปนของสำคัญมาคขันโบรมียศีลธรรมแล้วได้หาเงินในวัดนาลานกับวบัวตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานสี ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วมมยบุญน้าภัสดุที่ขาําม่้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีรูร้ลดทุสินให้เป็นแม่เรียนเพือเรียนเพืหวังจะดํารงตระกูลควรเวื่อนสถานศีประการนี่เสียนั่นๆๆพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นนั่นการข้องโลกผู้ใดว่าสันทัศนะ์แปลว่าพระพุทธเจ้าเาคยประสบการณว่าแล้วจึงได้มาสอนทอดจึงทรงพระน้าวาสัน ท, ทัศเทวมนุษยานานผู้สอนของเทวดานะมนุษย์ทั้งหลายะ การค้าขายพระพุทธเจ้ากับบรญัติไว้ค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นในเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ชาวโลกไม่ควรประกอบเนอนะนั่นนั่นพระพุทธเจ้า สมบัติของชาวโลกข้าพการประกอบด้วยสัตตาคือเชื่อในพุทธธรรมประสงค์ไม่ถือมองคนตื่นข่าวเคยเชื่อกำไม่เชื่อบงคนไม่แสวงหาเสียนบนอกอพุทธศาสนาบำเพ็ญบนแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งในสมบัติขาพการและเว้นจากวิบัติขาพการซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าสอน น, นะวัดไมีตั้งแต่เนื้อว่ามีกระดูกเลยพ่อยแม่เมอ๋ยการคบเมตพระพุทธเจ้าก้อสอนผัวก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าก้สอน เรื่อยยกย่างนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยมาเพื่อร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับควารงชะนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยศานให้าจัด ก, การงานดีสงเคระห์กรมทังเคียงของผัวดีไม่ประพฤติร่วงใจผัวรักษาทรัพย์ที่ผ ai, ัวหามาในว่ายทะยานไม่เจียดกันในกิจการท่างพวกนั่นๆๆๆนนั่นนั่นหัวก้เมเนื่อคันวิ้นโครหาคอเลยการทะเลาะวิ่งเฉยไม่ทราบทูดไออ๋อบอกนี่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่พพระานนั่น ท่านในเลี่ยงมาแล้วเลี่ยงท่านตอบสองทำกิจธุระของของท่านสามดำรงวงะกูลสืบพืชต้นให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกก็ห้ามื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุอุทิศให้ท่านนั่ น, น, นท่านลงทุนก้อนเท่าหนึ่งให้ห้ามันก็ทําความชื่วสองให้ท่านอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัยนั่นพระพุทธเจ้าสอนวัดนั่นนัน้นนั่นนั่สิทธ์กับอาจารยนะ์พระพุทธเจ้า ก็สอนหนึ่งด้วยลุกขึ้นยืนรับสองด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้สามด้วยเชื่อฟังสี่ดยอุปถาค่าด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพนั่นนั่นน่นนั่ น, น, นที่นี่ชวนอาจารย์หนึ่งแนะนําดีสองให้เรียนดีสองบอกสามบอกศิลปะวิทยาเส้นเชิงไม่ผิดบางอัมพางสี่ยจกจ้องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงนตอนที่ทําถูกข้าทําความป้องกันในทิศทางหลายเคยจะไปในทิศไหนก็ไมใ่ให้ให้อดอยากนั่นนั่นพระพุทธเจ้าสอนเบาคำหน้าพระพุทธเจ้ากสอน หนึ่งลุกขึ้นทำการงานก่อนนายสองเลอกการงานที่นังนายสามถือเอาแต่ของที่นายให้อย่าไปรักกอบรักเสียมเป็นต้นสี่ทำการงานให้ดีขึ้นห้านำคุณของนายไปสรรเสญในที่นั้นนั้นส่วนนายพระพุทธเจ้าก็สอน หนึ่งจัด ก, การงานให้ทําตามสมควรแก่กําลังสองด้วยให้อาหารในรางวาันสามด้วยพยาบาลในเวลาเก็บไข่สี่ด้วยแก่พของมีรถแฝดกระดาษให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยนั่นนๆ่นนั่นนั่นนั่น น, น, น, นัากาวขั้นเข้ารบกันอย่างนี้ห่หรอการทะเลว่อแหว่งกระ บ, บุมีเชื่อใจกันได้มิตรพระพุทธเจ้าอสอนครบมิตดมู่ฮ่าเอาเราม้ามาครบมิตรแลาวท่านมิดจะผีบ้ามาครบกัน มูหอเอาเรามาขาไก่ขางูว่ะครับ <c oughs> ครบมีดเพื่อนสวนส ท, ทุกเพืน่นขางูอ่ะเข็ดสวนส ท, ทุ ก, กชว่วยแล้วแล้วเป็นนีเขาว่าสันมันเป็นสวนส ท, ทุกเพามันสวนสนุกกว่านะครบมีดพระพุทธเจ้าสอน มตแท้สี่จำพวกมิตรมีอุปการะมีตร่วมสุขร่วมทุกข์มิตเนะี่ประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควครคบหนึ่งมิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่หนึ่งป้อปกก 4, ง ก, กันเพื่อนผู้ประมาทแล้สองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้สามเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งํานักได้สี่เมื่อมีสุขช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากสองมตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะดี หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อนสองปิดความรับของเพื่อนมาเพียงผายสามไม่ละทิ้งในยามอิบัตสี่แม้ชีวิตก็อาจสจลับแทนได้สามมิตรได้ประโยชน์มีลักษณะสี 4, 1, 5, ่หนึ่งห้ามกระทบความชื่อสองให้ตั้งอยู่ในควาดีสามอนุเคราะห์ด้วยนําใจอันงามสี่บอกทางสวรรค์ให้งั้นนั่ น, น, นสี่มิตรมีความนักใครมีลักษณะสี่หนึ่งทุกประทุก์ด้วยสองสุขก็สุขด้วยสามโต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนสี่รับรองคนพูดสนับสนุนเพื่อน มิตรสี่จํำพวนี้เป็นมิตรแท้วควรคบเน้อพระบรมศาสด า, ศ า, ศานั่นนั่นน่นนั่นมิตรปิติพระชีรกคือคนเทียมมิตรไม่ควครคบหนึ่งคนปอกลอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนชักชวนในทางชีหายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเพียมมิตรหนึ่งคนปอกลอกมีลักษณะสี่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยก็คิดเอาของเพื่อนว่าสามเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงนับทําจิตทรุรคของเพื่อนพออยากขอสตัง สี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนสองคนดีแต่พูดมีลักษณะสี่หนึ่งเก็บเอาของรวงแล้วมาปลาใสยเพื่อนเพื่อ น, อนให้เงินสักร้อยบาทว่าเออแต่ก่อนมีอยู่เพื่อนเ อ, อ๋ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใช่แล้วเก็บเอาของรวลวงแล้วมาปลาใสสองอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปลาใสเออเงินเดือนออกเชก่อนเพื่อนจึงเอาสามสิ่งสองข้อ หาสิ่งที่ประโยชน์ไม่ได้สิ่งสงเคราะห์สิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เอาของเลยๆเอาของเลยๆมาสงเคราะห์เพื่อนสี่ออกปากพึ่งไม่ได้คนหัวประจบมีลักษณะสี่จะทําดีมันก็ค่อยตามสองจะทําชั่วมันก็ค่อยตามสามต่อหน้ามันก็ว่าสารเสิร์สี่รับหลังมันก็ตั้งเลนทาสี่คนชักชวนในทางเชืบหายมีลักษณะสี่ชักชวนดืมนม่มหน้าเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นการเล่นมีอะไรบ้า ตะก้อตะแก้อะไรตีปอลบอลบอลบอลชักส่วนในมามองในการเล่นเล่นฟุตบอลแล้วก็เล่นอะไรอีกสารพัดอะสีชักส่วนเล่นการพนันหนึ่งชักส่วนดื่มหน้าเมาชักส่วนเที่ยวกลางคืนเที่ยวบาร์ใสสาราอาซะแล้วก็ใสไมโครเ อ, อกเที่ยวว่า ชักชวนลืมหน้าเมาชักชวนเที่ยวกอนคืนชักชวนให้มามเมาในการเล่นชักชวนชวนเล่นการพ น, นันไปเถอะเพื่อนเ อ, อ๋อืมอาจารย์องนั่นบอกอล่นดีอไปเถอะเพื่อเราะชักชวนให้มาเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพ น, นันนั่นนั่นมนุษย์สมบัติเว้นอันนี้เป็นมนุษย์สมบัติไม่เว้นอันนี้เป็นมนุษย์วิบัตินั่นนันั่น สอนขารวาตรงโต๊ะสวนพระวันผ่านมาแล้วปริญญาในทางพุทธศาสนาก็มียาตะปริญญากําหนดรูด้วยการรู้ตีตะปริญญากําหนดด้วยการพิจารณาปะหานะปริญญากําหนดรูด้วยการละเสียปริญญาในทางพุทธศาสนาจะเรียนจบพระไตรเพฎกก็ตามถ้าเชื้อดายอยากล่วงละเมิดชิ้นห้าอยู่ก็ไม่ใช่พระโสดาวันเป็นพระโสดันโสดาวโสดขาดคณีโสดเล่นเลเล่นผาฮ พระพุทธศาสนามีอยู่แล้วคำสอนใดๆที่ไปเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดอีพ่ออีแม่เอ๋ยนัน่รู้จักอีพ่ออีแม่ไหมพระสาภาคอีสานสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้น ใครจะทำถูกทำผิดสักเพียงไหนก็ตามกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีหลวงปู่ก็ไม่มาบวชเลยคดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันจบกเกษียนเป็นกรรมและผลของกรรมจบกเกษียณไม่เป็นตามเธออยู่ทุกอิยาบทของจิตของใจอีพ่ออีแม่เอ๋ยนั่น เธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อสร้างเหตุลงแล้วผลไม่ประสงค์ก็ได้รับกามส่วนควรค่าของเหตุเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็มีความหมายอันเดียวกันโลกทิพยใจทิพยรทำทิบย์ทำดีผลของกรรมก็มาหาใจทำชั่วผลของกรรมก็มาหาใจ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 ไม่มีศาสตราใดๆจะมาสร้างโลกขึ้นพวกเธอทั้งหลายสร้างขึ้นเองแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองนะแต่ละหัวใจนั่นเองจงทําจิตให้บันเทิงในตาละชัวรรมำดีเป็นคำสอนของพระพทุทธเจ้าทั้งหลายยน่นลงมาคนเราใจถึงทุกคน ใจถึงทางดีคนใดดีใจถึงทางชั่วคนใดชั่วเมลแองวันมันก็บอกว่ามันใจถึงอยู่เหมันกันเมลแองค wow, vs, ู่มันก็บอกว่ามันใจถึงมันกันมันเินเจสอนดอกไม้มันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันใช่ไหมเมลแองพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันเจีินเจี๊สอนดอกไม้เมลแองวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันแต่ประชาธิปไตย ถ้าประชาชนหนักไปในทางไม่มีบาปมีบุญมันก็ไปตกเหวหมดเห็นไหมพวกที่ถือว่าไม่มีบาปมีบุญนั่นักนั่นนั่นประชาชที่ประทายเน่นะประชาชทปไตยจะเป็นเจ้าโลกลถือว่าไม่มีบาปมีบุญค่าขายเรืองหาลพุทธศาสนาห้ามที่นี้พวกค่าขายเชื่องหาลนั้นได้เป็นเจ้าโลกไหมเจ้าตายถูกไหมเจ้าเว็นเจ้าไพรถูกไหมนั่น นั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ในโลกเนี่ยนะไม่นั่นออกโลกโลกคือตัวเราแต่ละท่านแต่ละคนคำชั้นสูงยังมีอีกอกโหพระพุทธศาสนาสอนสอนมนุษย์สมบัติสอนสวรรค์สมบัติสอนพรหมสนวัติสอนวิพญาณสมบัติผู้จะไปถึงพระนิพพานก็พิจารณาอนิจจทุกขังอนัตตา ได้ในในรกร้วนอนิจจังได้ในในรกร้วนทุกขังได้ในในรกร้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเห็นทุกคณะจิจหนึ่งก็เห็นโรกรอบหนึ่งแล้วเพราะโรกเต็มไปด้วยกองทุกเห็นอนิจจังคณะจิตหนึ่งก็เห็นโรกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยกองทุกเพราะเป็นตัวโลกเต็มเต็มไปด้วยอันไม่เที่ยงนั่นนั่นนั่นเอาแล้วบะเอาละวะเอาแล้วบะนั่นผูดตัว แล้วฟ้าสีนั้นปฏิบัติสีนัปฏิบัติามปฏิบัติเฉพาะของเหล่โอ้ยจะคิว่ายังไงนตกระได้เพื่อนกระได้นั่นเนาะเกษตรเทศใน้งตัวในั้งเพื่อนเี่ยถ้าเพื่อนู้เดียวเราก็ถือเกษตรในเฉ้าะเราคือกันเยว่าหัวควงน้าจะเพอนควงจะเพนมันก็บอกก็ได้แต่ตัวคงน้ำคือกันมันก็จะเปลี่ยนอิกเขาจว่าเทศาไรเพื่นมันลวนเราก็ถือเกษตรในเฉพางเราคือกันเดีย เข้าใจว่าสอน้อื่อนมาล้นแก็บอแม่ก็สอนจต่ของน้อคือการมันยังถือนะเหนไหมเห็นจะเพียบตายพี่ๆรพ่อนกรับได้จะจีบว่าว่าทนเปนคนอยากฟังอะไรได้ว้างเหรอมึงคนที่างทไปห้ามท่านเหรอออกลามาตั้งแต่ฟังแล้วเที่ยงก็เที่ยงจะฟังนะแกแคบตายกับเที่ยงจะฟังเกอันนี้ก็ดีจะเห็น เวลาให็พวดีมันสุพ่อไกให้พอดียางเต็มทีเมื่อมันได้รับผลได้รับผลยางเตทีคืว่าอย่างไรเนี่ยคือเสื้อคัดแอวเ๋ยๆนี้แหละใส่เรีบมาโลกมันะครับแอวโค้งยางเตทีมันเลยรับผลยางเต็มทีคาดเอวเลยเก็บคาดคาดอวใส่ลงเวลาไปตอนง่วงสอยเขาตอนยางเต็มทีหรือไปของสนุกย่างเตทีบัส ถ้ามันมาตอนเขามันมาตอนอย่างเต็มทีแล้วนั่งทัาาากพ่อหลังนี่เจ้าอุทธรณจุดไฟย่างเต็มทีไฟไหม้กุฏิย่างเต็มทีนั่งเวลาเห็ุกันมันก็ เ, เต็มใจมันนี่เวลามันได้รับผลมันได้รับผลอย่างพ่อใจมันทีว่ายังไงคนมีเหตุัลก็ตัวนั้นที่ว่าผู้ใตจ้าห้องน่ะขนไถ่ทานย่างาาเต็ม ท, าาทีให้ลูกขายเียขายข้ามตามวันละไม่ย่างทีเพิ่นก็ได้เป็นผู้กุฏิเจ้าย่างเตที น, นี่ที่ว่ายังไงหนัก พัทเทวทเดยเดให้ผู้ที่เจ้าญาตทีก็รุกมอเราพวก้าติที่นี่เรียกวาในสัมนักชื่อว่าผมวเชื่อว่าจแบาใจอเนาะไปหาข้อมาหน้าของไคมาหาอมาหน้าอมามาจุดจุดจกดจุดรุดจุดจดจุดจุดจุดจุดจุดจุดจดจุดจุดจุดจุดจุดจุดจุจุดจุดจุดจุจุดจุดจุดจุดจจุดจุดจกดจดด งานงานงานบัวกับหมอหัวอัเราหมอน่าัแม่าดักัดแม่ตาไปล้วไก่แหละตงหอกใก็ื่างนะนักา แม่โลกอันนีนัดหนาเลยผูข่ากระทงข้าวมาแหละจะข้าวไปสายจะขาดแล้วขี้โยไปอีกสักมื่นเมจมื่นว่ามึอองตอนซ้อมขี้โยล้างหันตลบเลยพระเจ้าขามาจะถูกมาจะร้างมันน่อเดียทงน่ายาเนี่ยพระเจาะนนออดเด้ า, าจออยานอนเแล้วนิดอดซ่อนขามาหอบไปก็อ้ตัวหงอเกื อ, อมา หมือนกับแบบที่ชาวานบอกชาวบ้านไดนก็สั um ่งมันล่เม็นมือเท้าสงโอ้ยเขาแบบมือเ้าก็สัเหมืนเขาไปยุสละธรมะเตกระถางเานึ่งว่าสั่งโอ้ยอวดสวยว่าสั่งหนึ่งมนเขามูหันหา่ยเดี๋ยวไปเลยเดเห็นแล้วบอกก้อนไม่แล้วไม่แล้วไต้ออเสียงมันมัยว่าห้ามวันหยุดห้าวันหยดเสียงมันัก เจ้าก็ถึงแลท่าน่ว่าเลูคือคนนี้แเดนนี้แค่ต้นสามเดืนไดรับกรอขา่สิลอกังักทนเาใส่่หน้าล็กกาน้วโอ้ยเขาเป็นเขเยเอามามาตั้งเอามามาตั้งเอามามาตั้ง เยอะแล้วให้เยอะสุดนะพี่ตำรวจให้เยอะสุดนะพี่ตำรวจไม่ควรจะเยอะใช่ไหมเยอะแล้วไม่ต้องมาเรียนอีกไม่ต้องมาเรียนอคือคนกิดมาเกิดมากตอนนั้นคือคนนี้คะบ้านหน้าคือกิดมาตาขาววานี่ไม่มากเกินมากตอไม่ใช่ไหมตาลึอ้แล้วาจะคอยคอยคอยทำอะไรกันนครับอืมไม่่คนไกั ขเนบาที่เลยนไอยม้ใหญ่่มค่าบาททีทไบอกค่าบาทมีกันไังอมันมออย่างเงี้ย 他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他 จะพ่น้ออเร่องเป็นเ่รทีนตัวนแเร่เ่งว่าเากออกมาท่น้ใช่ไหมเขาสูงวิต่โดอันนี้มาอีก มาตั้งนี่ถ้าอยู่สูงก็พรพุทธรูปถ้าอยสูงก็พระพุทูปเวลาอธิษฐานเวลาถวายก็ไม่ถึงอันนี้ด้วยไม่ถึงอันนี้ด้วยเวลาถอยเอาไว้สูงเฉยๆหรอกไม่ทได้รับเอาแทะหรอกเมื่อถอยแล้วจึงจะรับเอานี่สมมติว่ายังในทาถวายแต่เอาไว้สูงเฉยๆหดอกก็อยู่ต่ำมันไม่ได้เขาไม่้ลว่าใส่กดนตตน้ แก่นี้มันีน่หายเข้แบบว่าเ็าเรียนเก่เลยเ้าปฏิบัติคนเขาปฏิภาวนั่นเองแต่แ่นขาหพอคนมองเขาก็คือพยายามเาปฏบัตเหตุเขาปฏิภาวนี่เป็นอย่านันไม่ได้พาตัวมั้งเนานะ